คนเรามักมองว่าความอึดอัดที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นมีต้นเหตุอยู่ที่คนอื่นถ้าลองมองซิว่าหลายๆครั้งเราขับแค้นเพราะคิดมีความคิดเป็นเหตุสําคัญของความขับแค้นอันนั้นก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันคือเป็นมโนกรรม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 ผู้ฟังเคยมีความเครียดบ้างไหมในช่วงเนี้ก็มกักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยมักจะเครียดเพราะว่าทํางานมามากและในช่วงสิ้นปีนี่เขามักจะต้องปิดบัญชีจะต้องสรุปงานทั้งหมดการงานทั้งหลายจึงต้องเร่งรีบ ให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้ทําให้คนทั่วไปเนี่ยมักจะเครียดมีอาการที่แปลกแปลกมันเป็นอาการที่ผิดปกติจากทุกๆวันทุกๆปีทุกๆเดือนที่ผ่านมามีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับอาการพวกนี้มันเกิดจากความเครียดทางด้านจิตใจ สาเหตุเกิดขึ้นจากจิตใจแต่ก็ส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยต้องผิดปกติไปด้วยความเครียดทั้งหลายเนี่ยคือความผิดปกติทางจิตก็ไม่เป็นไรเมื่อมีงานเยอะจะต้องทําให้เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ทําไปแต่เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆก่อนที่จะไปพบหมอก็ได้เราจะแก้ไขตรงนี้ก่อนก็ได้มันเกิดความเครียด ปวดศีรษะมึนศีรษะเราลองเปลี่ยนอิเลียบทของเราสักหน่อยนั่งอยู่ตรงไหนเราลองลุกขึ้นหรือเดินไปที่หน้าต่างไปที่ประตูเราลองทอดสายตาไปไกลๆมองให้สุดสายตาไปเลยมองไปให้สุดสายตาการกระทําอย่างเนี้ย เราไม่ได้ไปส่งจิตออกนอกเราทำที่ความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรมองไปไกลๆอันนี้เป็นการโยนความรู้สึกภายในจิตใจเนี่ยทิ้งไปข้างนอกเราต้องรู้จักเปลี่ยนระดับสายตาซะบ้างการทำงานที่ก้มอยู่กับงานหมุนอยู่กับงานเนี่ยมันจะไม่เครียดเราเปลี่ยนระดับสายตามองไปไกลๆโยนความรู้สึกออกไปข้างนอกตัวลนะ ใจมันก็จะเริ่มสบายๆมันเป็นการคลายเครียดแบบง่ายๆจิตก็จะสบายหรือบางทีเราอาจจะใช้วิธีการคลายเครียดอยู่ที่การหายใจก็ไ ด, หไดหหออ้หายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนหายใจออกยาวๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆยังรู้สึกเบาๆ แล้วก็หายใจออกยาวๆด้วยความรู้สึกเบาๆาทำสัก 2- อสครั้งเนี่ยออกซิเจนเนี่ยก็จะไปเลี้ยงสมองสมองก็จะปลอดโปร่งทําให้จิตใจเราสบายด้วยนี่เป็นการคลายเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเวลาเรามีความโกรธความหงุดหงิดความเหงาก็ลองใช้วิธีที่ดูมองไปไกลๆหรือใช้การหายใจ อันนี้มันก็จะช่วยเราได้เรื่องที่เราอาจจะเปลี่ยนอรียบบทคือการใช้วิธีแบบนี้แหละเป็นการเปลี่ยนอียบบททั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเราเคยได้ยินแต่เปลี่ยนอียบบททางด้านร่างกายแต่นี่เป็นการเปลี่ยนอียบบททางด้านจิตใจด้วยพลิกจิจเสียใหม่นักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติแล้วเกิดความเครียดมืนชิษะพื้นทรายอาเจียนยแสดงว่าตั้งใจมากเกินไป หลวงพ่อเทียนก็จะแนะนําให้ใช้วิธีนี่แหละวิธีที่ดูไกลๆหรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเอียบทของเราจากงานที่เราทําเป็นประจําเนี่ยลองไปทํางาน อ, าอื่นดูบ้างสิเยอะๆเลยงานอย่างอื่นที่เราจะต้องทำเนี่ยใกล้ง่ายๆกวาดพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้คือพลากจิตออกจากงานประจําสักระยะหนึ่งเป็นการเว้นระยะให้จิตใจเราได้ไปเสพงานที่มันไม่ต้องใช้ความคิด ปวดกว่าเล็ก น, น, น้อยเนี่ยมันก็จะเพลินไปกับ ง, งานใช่ไหมมันคลายเครียดได้บางทีมันหายนะอาการมึนศรรีษะปวดสรรีษะมันหายไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปทานยาหรือไปหาหมอมีการแก้ไขตัวเองอันนี้คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันหรือบางท่านเนี่ยก็เครียดไปอีกแบบหนึ่งบางท่านอาจจะเกิดความเหงาเนี่ยมันก็มีนะ ไม่เครียดมันก็เงาเงาเพราะไม่ม <problème modifier> ีอะไรจะทำประเด็นแรกนี่เครียดเพราะว่างานมันเยอะวุ่นวายสับสนแต่ประเด็นที่สองนี่ไม่มีอะไรทำจึงเกิดความเหงาทำไมคนเราจึงต้องมีความเหงาด้วยความเหงาเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรความเหงานี่มันเป็นอาการของจิตเป็นเรื่องของจิตใจแต่มันส่งผลให้ร่างกายต้อง มีโรคไปแค่เจ็บเหมือนกันนะความเหงาเนี่ยความเหงาอาจจะเกิดจากว่าเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เหงาได้เหมือนกันเนี่ยคืออาการเบื่อในพวกนี้แหละกลุ่มเซงหรือบางครั้งเราเกิดความพัดพรากจากสิ่งที่เรารักชอบใจพอใจเราต้องพัดพรากจากกันและเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเราเนี่ย ต้องการอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจผิดหวังเนี่ย <_ d ata> ก็ทำให้จิตใจเราเหงาได้เหมือนกันนี่เป็นอาการที่มักจะเป็นกับทุกๆคนที่มีอาการเหงาต้องเป็นอย่างนี้แหละบางทีบางคนก็บอกว่ามันเหงาเพราะไม่มีอะไรทำมันจริงหรือเปล่าที่เหงาเพราะไม่มีอะไรทามันไม่มีอะไรทำหรือเราไม่ทำอะไรนี่สำคัญนะไอ้ที่ไม่มีอะไรทาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ แต่พอเราไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากเราลองหางานให้กายมันทำเพราะงานของเราเนี่ยมันมีสองอย่างไม่งานทางด้านร่างกายก็งานทางด้านจิตใจคนที่เคลื่อนไหวไปไหนไม่ค่อยได้เนี่ยงานทางใจก็ทำได้มันก็แก้ไขความเหงาได้เหมือนกันส่วนคนที่มีการเคลื่อนไหวเป็นปกติเนี่ยงานทางกายเนี่ยเยอะแยะเลยเราลองแก้ไขความเหงาดูซิ เราอย่าหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่เหงาเบือ่อเซ็งกลุ่มอย่าไปหมกมุ่นถ้ายิ่งหมกมุ่นมันก็ยิ่งเพิ่มปริมาณของความเหงามากขึ้นเราลองหางานทําเบาๆงานในบ้านเราเนี่ยเราสามารถเพลิดเพลินกับการทํางานโดยที่ไม่เหงาก็ได้การจัดบ้านจัดมุมเสื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะจัดบ้านใกล้วันปีใหม่นะแล้วเราก็จัดบ้านให้มันดูสะอาด งดงามหน้าบ้านหน้าอยู่อะไรเงี้ยนะหน้าบ้านหน้ามองลองทําดูสิมันจะเพลินนะเพลินกับงานใกล้ๆตัวเราเนี่ยเนี่ยจัดเสื้อผ้าจัดหนังสือจัดโต๊ะจัดห้องครัวเสื้อใหม่จัดห้องน้ําแล้วก็มีสติอยู่กับการทํางานนะให้รู้อยู่การทํางานเนี่ยเป็นการจเจริญสติไปด้วยความเหงาอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้เป็นงานทางกายเราหาได้ทันทีเลย เพียงแค่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเท่านั้นนะแล้วเราก็รู้ตามกายที่มันเคลื่อนไปขึ้นมาความเหงามันก็จะหายไปความเหงาเป็นเพียงแค่อาการของจิตเท่านั้นนะที่จริงมันเกิดจากความคิดเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งบางคนบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรทำไมจึงเหงาถ้าไม่คิดมันไม่เหงามันเหงาเพราะมันคิดอย่างน้อยก็คิดเหงาเพราะนั้น อย่าไปหาเหตุผลเลยลเราลองมาแก้ไขแก้ไขทางกายแล้วไม่หายเราลองมาแก้ไขทางจิตเพราะเจ้าความเหงาเนี่ยมันเหมือนแขกผู้มาเยือนชั่วคราวเป็นแข่ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะผ่านออกไปมันไม่แน่นอนกลับมาทําความรู้สึกตัวทุกครั้งที่เหงาเรามารู้สึกตัวอยู่กับกายความรู้สึกตัวเนี่ยมันแก้ไขความเหงาได้มันไม่เที่ยงหรอกความเหงาอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเป็นความเหงาก็ดีความเครียดก็ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มันเป็นช่วขณะหนึ่งทอนนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่เป็นทุกข์มืดมนอย่างเดียวไม่ใช่ในด้านที่มีความสดใสสดชื่นก็มีอยู่เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เตียงเพราะฉะนั้นให้เราแก้ไขความเครียดก็ดีความเหงาก็ดีด้วยการทำความรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่เหงาไม่เกลียดเป็นปกติว่างๆรู้อยู่อันนี้แหละคือ พ่อของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงคือความรู้สึกตัวนั่นเอง